บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจน อ, นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสว น, นัตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีนทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมได้แสดงพระเถระอธิบายแห่งท่านพระสาธิบุตรในข้อสมาทิทิความเห็นชอบมาโดยลำดับจนถึงหมวดอวิชชาซึ่งท่านพระเถระได้อธิบายอาวิชชา ว่าได้แก่ความไม่ยังรู้ในทุกไม่ยังรู้ในเหตุเกิดทุกไม่ยังรู้ในความดับทุกไม่ยังรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกคือไม่ยังรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ท่านใดนแสดงอธิบายอาวิชชาเพียงเท่านี้แต่ในที่นี้ ได้แสดงอธิบายยกเอาพระพุทธอ ธ, ธิบายที่ตัดเอาไว้มาเพิ่มเติมโดยที่มีพระพุทธอ ธ, ธิบายอาวิชชาก็คือไม่อย่างรู้ในอริสัต ท, ทั้งสี่ดังนั้นนั่นแหละแต่ในที่บางแห่งได้มีเพิ่มอีกสี่ข้อคือ ไม่ยังรู้ในอดีตไม่ยังรู้ในอนาคตไม่ยังรู้ทั้งในอดีตทั้งในอนาคตไม่ยังรู้ในธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นซึ่งในสี่ข้อหลังนี้ก็ได้แสดงอธิบายในที่นี้แล้วแต่มีอีก ปริยายหนึ่งที่ปัดแสดงเอาไว้คือไม่ยกเอาการเวลาเป็นที่ตั้งแต่ปัดแสดงไว้ซึ่งแปลกันว่าไม่อย่างรถไม่อย่างรู้ในเงื่อนปลายไม่อย่างรู้ ทั้งในเงื่อนตน้นทั้งในเงื่อนปลายและไม่อย่างรู้ในธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นซึ่งข้อที่สี่นี้ก็ตรงกันแต่ว่าสามข้อข้างต้นต่างกันดังกล่าวคำว่าเงื่อนตน้นเงื่อนปลายนี้ท่านใช้จลับว่า บุพันตะเงืนตนอปรันตะเงื่อนปลายถ้าตามศัพท์คำว่าอันตะนั้นแปล ว, ว่าที่สุดอย่างในธรรมจักรที่จัดแสดงถึงทางที่สุดโต่งสองทางคือกามาสุขนันในกาญุโยกความประกอบ หัวพันอยู่ด้วยความสุขสดชื่นในกามและอัตตะกิลมัทานุโยก ค, ความประกอบธรมาณจนให้ลำบากก็ใช้คำว่ า, าอันตะซึ่งในที่นั้นแปลงนว่าสุดตง่งซึ่งทางที่สุดทั้งสองทางนี้อันบรรพชิตผูมุ่งที่จะตัสรูไม่ควรซ่องเสบปฏบิส่วนในที่นี้ มุพันตะก็อาจแปลได้ว่าที่สุดเบื้องต้นยปันตะที่สุดเบื้องปลายและที่สุดทั้งเบื้องต้นทั้งที่สุดเบื้องปลายแต่ที่แปล ก, กันว่าเงือนต้นเงือนปลายทั้งเงือนต้นทั้งเงือนปลายก็เพื่อให้เข้าใจง่ายและโดยที่คำว่าเงือนนี้ มาใช้ในภาษาไทยหลายคำเช่นเขาเงินเงินงำเงินไขซึ่งคำว่าเงินนี้ก็หมายถึงอย่างเช่นทำเงินที่เชือกหรือที่ได้ก็ทำให้เป็นปุ่มเป็นปมเป็นจุด เรดะฉะนั้ น, จ, นจึงเป็นที่สังเกตเห็นได้เช่นว่าเส้นได้ที่เป็นสายยาวเส้นยาวถ้าไม่ผูกให้มีเงื่อนก็จะเห็นเป็นเส้นยาวๆไปเหมือนกันหมดแต่เมื่อผูกตรงได้ตรงหนึ่งให้เป็นเงื่อนขึ้นก็จะเป็นปม เป็นจุดให้สังเกตเห็นได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าเงื่อนนี้ในคาต่างๆดังกล่าวเช่นเขาเงื่อนเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นยังคลุมเครืออยู่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจึงต้องค้นหาในเมื่อพอเห็นเขาเงื่อนของเรื่องนั้นก็พอที่จะบอกได้ เมื่อเรื่องนั้นเป็นอย่างไรราพที่ต้องการจะทราบเพราะฉะนั้นจะแปลว่าที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายเหมือนอย่างไม้ท่อนหนึ่งก็ต้องมีต้นมีปลายคือมีที่สุดข้างต้นที่สุดข้างปลาย สิ่งทั้งหลายอื่นๆก็เช่นเดียวกันจะต้องมีที่สุดด้านตน้นด้านปลายเบื้องตน้นเบืองปลายเมื่อที่สุดนั้นมีเข้าเงื่อนที่จะเห็นได้เ่นไม้ที่วางไว้เป็นท่อนๆมีเข้าเงื่อนที่จะเห็นได้ไม้ที่ต่อกันหลายท่อนต่อกันยาวๆก็ อาจจะสังเกตเห็นรอยต่อของไม้เหล่านั้นทำให้รู้ว่าท่อนใดต่ออยู่ที่กรงไหนมองเห็นเบื้องต้นเบื้องปลายของไม้ท่อนนั้นที่รอยต่อเป็นเข้าเงื่อนให้บอกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงแปลที่สุดในคำมั่ง ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายเบื้องเงอนตนเงินปลายอันทำให้เข้าใจว่ามีข่าวเงื่อนที่จะให้พิจารณาเห็นได้แต่โดยความหมายก็คือว่าที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายนั่นแหละก็เป็นความหมายอันเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่รู้ ที่สุดเบื้องต้นหรือเงื่อนตน้นไม่รู้ที่สุดเบื้องปลายหรือเงื่อนปลายจึงมีความหมายถึงในสัจจะคือความจริงทุกๆุอย่างคือสัจจะเมื่อรวมเข้าก้ในอริสัจทั้งสี่นั่นแหละอันได้แก่ทุก เตเกิดทุกข์นี้เป็นไฟทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เป็นไฟดับทุกข์ฉะนั้นในการที่จะรู้จักในอริสัต์ดังกล่าวนี้จึงจะต้องรู้จักเข้าเงินจึงจะจับได้ถูกจับทุกข์ได้ถูกต้องจับสมุทัยเหตุ เกิดทุกข์ได้ถูกต้องจับความดับทุกข์ได้ถูกต้องจับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ให้ถูกต้องอันจะเพิ่งกล่าวได้ว่าสมุทัยคือเหตุนั้นย่อมเป็นเงืนน่อนต้นหรือที่สุดข้างต้นส่วนทุกข์นั้นย่อมเป็นเงื่อนปลายหรือที่สุดข้างปลาย นี่ในฝ่ายทุกข์ในความทุกข์ที่ทุกๆคนได้รับอยู่ซึ่งเป็นสภาวะทุกข์้แก่เกิดแก่ตายหรือเป็นปะกินากาศทุกทุกทางจิตใจที่บังเกิดขึ้นมีโสกะปริเทวะความโศกความ รัญจวนคร่ำครูญใจเป็นตน้นซึ่งเป็นความทุกข์เดือดร้อนทางใจทั้งหลายเหล่านี้เมื่อบังเกิดขึ้นก็จะต้องมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายของทุกมีที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายของทุกยกตัวอย่างดังเช่นเมื่อเป็นทุก์ เพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเช่นบุคคลที่เป็นที่รักต้องพรากกันจากกันหรือว่าทรัพย์ซึ่งเป็นที่รักต้องหายไปเนื้อถูกลักขโมยไป ผูกอันตรายต่างๆไปก็เกิดความทุกข์เนเกิดความโศกความแห่งใจบริเทวะความรังจุนคร่ําครุญใจเป็นความทุกข์ที่ทุกคนต้องได้เคยประสบคราวนี้เมื่อความทุกข์ดังนี้บังเกิดขึ้นก็จับความทุกข์ได้วันนี้คือทุก ซึ่งเป็นเบื้องปลายคือเป็นตัวผลจึงต้องจับว่าอะไรเป็นเหตุในการจับว่าอะไรเป็นเหตุนั้นโดยมากก็มักจะไปจับเอาว่าเพราะบุคคลซึ่งเป็นที่รักต้องจากไปต้องพากไปหรือว่าทรัพย์สินซึ่งเป็นที่รักนั้นๆต้องพากไปหรือจากไป หรือว่าเลยมีคนนั้นๆซึ่งเป็นสตรูมาทําลายมาพรากเหล่านี้เป็นต้นโดยมากก็จับตัวเหตุกันดังนี้แต่เมื่อจะพิจรารณาตามทางอริยสัจของพระพุทธเจา้าซึ่งทรงแสดงมาสมุทยัย เหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากซึ่งเป็นเหตุให้ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนี่แหละความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราการเรียกว่าปาฏานนี่เองเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์มีโสกปริเทวะเป็นต้น ดังที่กล่าวนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะจับเงืนน่อนต้นืุที่สุดเบื้องตน้นให้ถูกต้องก็ต้องพิจารณาจับตามหลักอริยสัจของพระพุทธเจ้ากลัวตัวเหตุนั้นก็คือตัณหาอุปาทานในจิตใจนี้เองไม่ใช่บุคคลหรือวัตถุภายนอกบุคคลซึ่งเป็นที่รัก ซึ่งพรากไปจากไปทรัพย์สินซึ่งเป็นที่รักซึ่งพัดพลากไปจากไปเป็นอันตรายไปซึ่งพลากไปจากไปทรัพย์สินซึ่งเป็นที่รักซึ่งพัดพลากไปจากไปเป็นอันตรายไปนี่เป็นภายนอกถ้าหากว่าจิตใจนี้ไม่มีความอยากความยึดอยู่ในบุคคล ในทรัพย์สินนั้นทุกก็ยังจะไม่เกิดแต่เพราะจิตใจนี้มีความอยากคือตัวตัณหามีความยึดคือตัวอุปาทานอยู่จึงได้มันเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องหัดจับเงื่อนตนหรือเบื้องตนที่สุดเบื้องตน ว่าคือตัณหาอุปาทานในจิตใจของตนเองนี้เองเป็นเงื่อนตน้นหรือเป็นที่สุดเบื้องต้นของทุกข์ซึ่งกำลังได้รับอยู่เพราะฉะนั้นการหัดที่จะจับสัจจะคือความจรงิงตามหลักสัจจะของพระพุท ธ, ธเจ้าก็ต้องหัดที่จะพีิเจรณา จับเงื่อนตน้นเงื่อนปลายหรือว่าที่สุดเบื้องตน้นที่สุดเบื้องปลายของเรื่องคือเมื่อเรื่องที่กําลังประสบอยู่เป็นตัวทุกข์กําลังโศกอยู่กําลังร้องไห้อยู่คร่ําครวญรําพันอยู่ก็ต้องจับให้ถูกว่าทุกข์ซึ่งกําลังสเสวย อ, อยู่กําลังรับอยู่นี้เป็นเงื่อนปลาย เงื่อนตนคื อ, คอตัณหาอุปาทานในจิตใจของตนเองบุคคลก็ตามวัตถุก็ตามเรื่องเป็นภายนอกนั้นเป็นตัวอารมณ์ที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราดฉะนั้นตัวเงื่อนต้นติดแท้จริงจึงอยู่ที่ตัวตัณหาอุปาทานในจิตใจนี้เองเมื่อตัณหาอุปาทานนี้ สงบลงไปทุกคือโสกปริทาวะเทวเป็นต้นก็ย่อมจะสงบดังจะเพิ่งเห็นได้ว่าบุคคลที่ต้องประสบความพัดพรากดังกล่าวนั้นเบื้องตนมักจะทุกมากต้องโศกมากต้องร้องไห้คร่ำครวญรำพันมากเพราะว่า ตัณหาคือความอยากโอรุปราทานคือความยึดยังมากอยู่ครั้นต่อไปต่อไป น, น, นานๆเข้าเอปาปาทานคือความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในทรัพย์สินที่พัดพรากไปนั้นๆ น, น, น้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเหตุว่าจืดจางลืมเลือนไปเอง ก็ตามความทุกโศกซึ่งกำลังอยู่ที่ซึ่งกำลังได้รับอยู่กำลังสเวยอยู่นั้นก็ผ่อนคลายไปหายไปในที่สุดเมื่อจิตใจจืดจางลืมเลือนผ่อนคลายความอยากความยึดลงไปทุกโศกก็หายไปโดยลำดับจนถึงเมื่อเลิก อยากเลิกยึดในบุคคลนั้นในสิ่งนั้นทุกโศกก็หายไปหมดไม่มีเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการหัดจับเงินต้นเงินปลายของเรื่องทั้งหลายในบางคราวเมื่อได้รับความประจวบกับสิ่งซึ่งเป็นที่รัก ย่อมจะมีความยินดีเบิกบานใจเป็นสุขและมีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลและสิ่งซึ่งเป็นที่รักนั้นดังเช่นเมื่อได้บุคคลซึ่งเป็นที่รักมาหรือว่าได้บุตรทีดาได้ทรัพย์สมบัติต่างๆที่ต้องการมา ก็ยินดีเป็นสุขและก็มีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในวัตถุนั้นๆดังนี้เรียกว่าเป็นเงื่อนตน้นคือเป็นตันหาเป็นอุปาทานย่อมจะมีความติดใจยินดีเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสไว้ว่า ปัญหานั้นไปกับความผิดใจ ย, ยินดีความเพลิดเพลินทำให้มีความยินดีเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆในสิ่งนั้นนั้นนี่นับมาเป็นเงินตน้นซึ่งมักจะไม่นึกถึงเงื่อนปลายคือตัวทุกเพราในขณะที่ยัง เป็นสมบัติคือเป็นความร่งพร้อมอยู่นั้นมีความสุขมีความเพลิดเพลินยังไม่มีวิบัติแต่ว่าทุกๆอย่างนั้นเมื่อเป็นสมบัติแล้วก็ต้องมีวิบัติเมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีพัดพรากเพราะฉะนั้นในเงื่อนปลาย อันหมายความว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัดพรากโดยที่ต้องพัดพรากไปในระหว่างชีวิตเพราะเหตุอันตรายต่างๆก็ตามหรือว่าจะต้องพัดพรากไปตามคติธรรมดาคือตามสภาวะทุกข์แก่เจ็บตายไปก็ตามโดยที่ตนเองจะต้อพลัดพรากไปเองหรือว่าสิ่งนั้นจะต้องพัดพรากไปก็ตาม เมื่อยังมีตันธามีอุปาทานอยู่ซึ่งเป็นเงื่อนต้นอยู่ก็จะต้องพบทุกซึ่งเป็นเงื่อนปลายข้างหน้าเพราะฉะนั้นแม้ในขณะที่กําลังหัวเราะอยู่เพลิดเพลิอนอยู่ตื่นเต้นยินดีอยู่ก็ต้องหัดที่จะให้พิจารณาจับวันนี้เป็นเงื่อนต้น คือเป็นตันถาอุปาทานซึ่งจะต้องพบเงื่อนปลายคือทุกข์ในที่สุดเมื่อสิ่งที่อยากยึดถือไว้นั้นต้องคลาคลาดไปด้วยเหตุต่างๆไม่ระวังก็ตามหรือด้วยสภาวะทุกข์ซึ่งทุกคนจะต้องประสบคือแก่เจ็บตายก็ตามนั่นเป็นเงื่อนปลายที่จะต้องพบ เพราะฉะนั้นตัวหัดจับให้รู้จับเงื่อนปลายไว้ดังนี้เพราะฉะนั้นทุกคนนั้นใ น, ในปัจจุบันนี้ย่อมประสบอยู่ทั้งบางคราวก็เป็นเงื่อนปลายบางคราวก็เป็นเบื้องตน้นก็เป็นเงื่อนตน้น ขึนในคราวที่มีทุกข์เช่นโศกทุกโศกต่างๆเป็นต้นนี่กำลังพบอยู่กับเงื่อนปลายกำลังร้องไห้อยู่คร่ำครวญอยู่นี่กำลังพบเงื่อนปลายในขณะที่หัวเราะอ ย, อยู่ตื่นเต้นยินดีอยู่นี่กำลังอยู่กับเงื่อนต้นเราฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรม จึงสมควรที่จะหัดจับเงื่อนให้ถูกเมื่อกำลังอยู่กับเงื่อนปลายคือทุกโศกต่างๆก็ต้องจับเงื่อนต้นว่านี่เกิดจากตัญหาอุปาทานในจิตใจในขณะที่กำลังอยู่กับเงื่อนตน้นคือกำลังอยู่กับตัญหาอุปาทานมีความติดใจยินดีมีความเพลิดเพลินมีความสุข ก็ต้องให้รู้ว่าจะต้องพบเงื่อนปลายในภายหลังคือทุกในเมื่อยังมีตัหาอุปาทานนี้อยู่ดังนี้เป็นการหัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายทุกและอีกทางหนึ่งก็หัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายนิโรธคือความดับทุกกล่าวคือในขณะที่ ได้ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ป, ฏ, ป, ฏ, ปฏิบัติอยู่ในศีลปฏิบัติอยู่ในสมาธิปฏิบัติอยู่ในปัญญาก็ให้รู้จักว่าธรรมะที่ปฏิบัติอยู่นี้เป็นเงื่อนต้นของความดับทุกข์ซึ่งจะได้พบกับความดับทุกข์แม้ว่าในขณะที่ปฏิบัตินั้น อย่ารู้สึกว่าไม่เป็นสุขเช่นภูที่ปฏิบัติในศีลจะต้องงดเว้นจากข้อนั้นข้อนี้ในบางคราวกิเลสตัณหาในใจของตนต้องการจะให้ทำอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าศีลของพระพุทธเจ้านั้นให้งดเว้นเสียไม่ทำเพราะฉะนั้นใจหนึ่งจึงอยากจะทำ แต่ว่าอีกใจหนึ่งนั้นยังตั้งอยู่ในศีลก็แปลว่าสองฝ่ายต่อสู้กันคือศีลในใจของพระพุทธเจ้ากับกิเลสตัณหาในใจของบุคคลผู้ที่รักษาศีลถ้าหากว่าศีลมีกำลังกว่าศีลก็ชนะก็แปลว่างดเว้นได้ไม่ทำ แต่หากว่าทักกิเลสมีกำลังกว่าตันหาอุปาทานมีกำลังกว่าตันหาก็บงการให้บุคคลทำเศีลก็ขาดไปแปลว่าทิ้งศีลปฏิบัติไปตตาอำนาจของตันหาอุปาทานเพราะฉะนั้นความไม่เป็นสุขจึงมันเกิดขึ้นอย่างที่ต้องทิ้งเศนเพราะเป็นทุกข์เพราะศีล ก็ทิ้งศีลแต่ว่าถ้ามาพิจารณาให้รู้จักว่าศีลนี่แหละเป็นเงื่อนตน้นของความดับทุกข์ให้มีความรู้มีความเข้าใจจริงๆแต่ว่าตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ ให้มีความรู้จักดังนี้แล้วก็ให้รู้จักว่าเงื่อนต้นคือตัณหาอุปาทานอันเป็นเงื่อนต้นของสายทุกขนั้นควรจะต้องละเสียต้องหดเว้นเสียไม่ทำแต่ว่าเงื่อนต้นของความดับทุกคือศีลนั้นควรทำดังนี้ก็แปลว่ารู้จักเงื่อนต้นในสายดับทุก แม้ว่าในขณะที่กําลังต่อสู้กันอยู่นั้นเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเพราะว่าใจที่อยากจะทําที่จะละเมิดศีล อ, อันเป็นตันหาอุ ป, ปาทานนั้นบางคราวก็แรงแต่ว่าเมื่อความรู้จักอันเป็นตัวปัญญาพร้อมทั้งสติกํากับอยู่ได้ก็จะทําให้เอาชนะได้สามารถรักษาศีลไว้ได้ แต่อันที่จริงนั้นผลของศีลย่งมีตั้งแต่เมื่อปฏิบัติในศีลแต่ว่าตัวทุกข์เพราะเหตุว่าต้องสู้กับกิเลสนั้นกำบังผลของศีลซึ่งกำลังได้รับอยู่เหมือนอย่างคนที่ป่วยไข้และต้องบริโภคยาขม ซึต้องเป็นทุกข์แลต้องบริโภคยาขมแต่เมื่อบริโภคยาเข้าไปแล้วแม้จะขมก็จริงแต่ว่ายานั้นก็เข้าไปทําการเยียวยาแก้ไขโรคบําบัดโรคให้หายไปซึ่งในเบื้องต้นนั้นคนป่วยเองก็ยังไม่รู้แต่วันที่รู้ก็คือตัวทุกข์ว่ต้องกินยาขมหรือว่าที่ต้องผ่าตัดต้องฉีดยา ก็เอาเข็มแทงเนื้อว่าเจ็บที่รู้อยู่ในปัจจุบันคือว่าเจ็บซึ่งเป็นตัวทุกข์แต่ว่าผลที่ได้จากการที่ฉีดยาหรือว่าผ่าตัดนั้นจะเป็นการรักษาให้หายโรคซึ่งที่แรกยังไม่รู้แต่ความจริงนั้นการปฏิบัติรักษานั้นก็เป็นการบำบัดโรคตั้งแต่เบื้องต้นแล้วแต่ความเจ็บ ยังกำบังอยู่ยังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นยังต้องหัดทำความรู้ดังนี้เมื่อผลของศีลนั้นมีตั้งแต่ต้นแต่ว่าตัวทุกข์นั้นทุกข์เพราะกิเลสตัณหาท่งหักซึ่งยังครอบงำใจอยู่มากเมื่อกิเลสตัณหาพ่ายแพ้ลงไปสงบลงไปความริ่นรนต่างๆก็จะหายไป กลายเป็นความสงบความสุขขึ้นโดยลำดับความดับทุกข์ที่ยังไม่ปรากฏก็จะปรากฏขึ้นมานี่เป็นเงื่อนปลายเงื่อนปลายคือความดับทุกข์ในเบื้องต้นทั้นยังเหมือนยังกำบังซ่อนเร้นอยู่บุคคลยังไม่อาจจะรู้ได้แต่เมื่อเอาชนะกิเลสได้กิเลสสงบไปโดยลาดับแล้วความดับทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นตัวความสุขเป็นขอตัวความสงบ นี่เป็นเงื่อนไกของศีลในการปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกันเรมักจะทำกันไม่ได้รวมใจไม่อยู่เพราะว่าใจนั้นมักจะแล่นไปตามอารมณ์ที่ใครที่ปรารถนาให้มารวมอยู่กับลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้ หรือจะบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธใจก็มักจะไม่อยู่ใจมักจะออกไปก็เพราะเหตุว่านีวร น, นี่เองเป็นต้นว่กกากรมมาฉันบัางพยายามบาดบ้างความงุ่มงมุเ่เครื่บเคริ้มบ้างความคุ้งซ่านลำพานใจบ้างความเครื่อนแผลงสงสัยต่างๆบ้างอันเป็นตัวกิเลสดึงใจออกไปสู่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของ กลามาฉันพยาบาทเป็นต้นเหล่านั้นเพราะว่าจิตใจอันนี้อยู่กับกิเลสเหล่านี้มานานซึ่งเปรียบเหมือนปลาที่อยู่ในน้าจิตก็อยู่ในอารมณ์และกิเลสมานานปัจจนการที่จะดึงใจขึ้นมาจากอารมณ์และกิเลสมาสู่อารมณ์ขกรรมฐานในเบื้องตน้นจิตใจจึงไม่เป็นสุข เมื่อจิตใจไม่เป็นสุขร่างกายก็ไม่เป็นสุขก็ทำให้ทำสมาธิไม่ได้นานบรรยวปนดาวสี่ห้านาทีก็เหมือนอย่างเป็นตั้งชั่วโมงแต่หากวันทำปฏิบัติตามใจของกิเลสเช่นมาดูหนังดูละครเล่นไพ่อะไรเหล่านี้เป็นต้นเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่าเมื่อยละประเหตุว่า เป็นไปตออามอำนาจของกิเลสที่จิตใจอันนี้ยังมีความติดยังมีความเพลิดเพลินอยู่เมื่อมาทำสมาธิก็ไม่ได้สุขสักสมาธิในเบื้องตน้นดฉะนั้นจึงต้องทำความรู้ว่าสมาธินี่แหละเป็นเงื่อนตน้นเป็นที่สุดเบื้องต้นของความหลับถุก ต้องพยายามทำไปบ่อยๆจนจิตใจเอาชนะนิวรณ์ได้นิวรณ์สงบลงไปได้เมื่อ น, นิวรน์สงบลงไปได้แล้วจิตก็จะเริ่มได้ความสุขจากสมาธิคือได้ปีติความอิ่มใจได้สุขความสบายกายสบายใจได้ความสงบอันเป็นความดับทุกข์ขึ้นไปโดยลำดับ ในทางปัญญาก็เหมือนกันเมื่อมาพิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาพิจารณานามรูปว่าเป็นอนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นตุกอนัตตาไม่ใช่อตตา ต, ตัวตนก็ามาักจะฝืนกับความที่มีความอยากยึดอยู่ในนามรูปว่าเป็นตัวเราของเรารันมาพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราของเราจึงฝืนกันขัดกัน ในเบื้องตน้นใจจึงไม่ลงคือใจไม่ยอมต่อเมื่อมาพิจารณาให้รู้จักว่าตัวปัญญาวิปัสสนานี่แหละเป็นเงื่อน ต, น ต, ต้นของความดับทุกข์จริงๆแต่ที่ใจยังไม่ยอมนี่ก็เพราะเหตุว่าใจยังมีตัณหามีราคะความติดมีนันทิคือความเพลิน อยู่ในนามรูปยังมีความอยากความยึดอยู่ว่าตัวเราของเราต่อเมื่อไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อตันหาอุปาทานในใจของตนมันพิจารณาอยู่บ่อยๆในเมื่อความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นตันหาอุปาทานที่เคยยึดถืออยากยึดอยู่นั้นก็จะลดลงลดลง ปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเห็นชัดขึ้นเมื่อเป็นอนิจจะไม่เที่ยงจริงทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปลเปลี่ยนแปลงจริงเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราจริงเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะพบกับความดับทุกข์คือความปล่อยวางไปโดยลําดับนี่เป็นเงื่อนปลายเพราะฉะนั้นการหัดจับ เงื่อนตน้นเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื้องตน้นที่สุดเบื้องปลายแยกกันทีละอย่างและการขัดจับทั้งเงื่อนตน้นทั้งเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื้องตน้นทั้งสุดเบื้องปลายที่ขนานกันไปให้เห็นต่อกันไปเชื่อมกันไปประกอบกันไปดังนี้ในอธิสัตทั้งสี่ของพระพุทธเจ้า หัดจับเข้าทั้งในสายทุกข์ทั้งในสายดับทุกดังนี้แล้วเป็นการหัดให้ได้ยานคือความอย่างรู้นั่นเป็นฝ่ายวิ ช, ชาแต่ว่าฝ่ายอาวิ ช, ชานั้นก็คือไม่อย่างรู้ในเงื่อนต้นหรือที่สุดเบื้องต้นในเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื้องปลาย ในทั้งเงื่อนตนหรือที่สุดเบื้องตนทั้งเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื้องปลายในอริยสัจสี่ของพุทธเจ้านี่คือความไม่รู้จักและในข้อท้ายไม่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันมาเกิดขึ้นก็คือไม่รู้จักข้อที่เงื่อนตัวเงื่อนปลายนี้สางอาศัยกันในการเป็นไปในเรื่องทั้งหลาย ก็รวมเข้าในหลักอริยสัจสีนี่แหละต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจใตจากตั้งใจฟังสุวและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป